والذين سعوا في آياتنا معذين ا أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ. من الرسول ولا نبي إلا إذا تمنى. يا تمنا القشيطان في أمنياته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. س ُ م َّ ي ُ ح ْ ك م ُ اللَّهُ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما ي ل ق ي الشيطان فتنه. للذين في قلوبهم ما رضوا و ا ل ق ا س ي ة ت قلوبهم. للذين في قلوبهم ما رضوا و ا ل ق ا س ي ة ت قلوبهم.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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ووسمع العليم رضيء بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inang di ruam namat subuh, tirak tang lagi. Alhamdulillah, r a t a syukur, k h r i k a s i Allah. h e n g g a k a n bahasa ini, alhamdulillah, ini bahasa y i n i t e r a t k terbaik. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu m m a l a k alhamdu wa laa k syukru. การสารรเสริญทั้งหลายเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์และการขอบคุณทั้งหมดนั้นไปหาอัลลอฮ์ س ب า ا ن ละให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เราได้มีโอกาสมาทบทวนอัลกุรอานที่บ้านของอัลลอฮ์ ه และ ت ع เราทบทวนมาถึงสุล ที่ยี่สิบสองซตุลฮัจนะครับอายาที่ห้าสิบเนะอ็ดนะอายาที่ห้าสิบเนี่ยมาเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมันยาวไปนะที่ยาวต้องอธิบายอายาที่ห้าสิบก็ ค, คือทวนนะครับฟัลล ال ีนาอามานูวาามิลุสซาลิฮัด ل หล่าม์ غفرت ุม ورزق كريم อายะนี้ดีนะพี่น้องพูดถึงเรื่องของเราเลยฝั่งล ن วิน و อัลมาหมิลุ ا ل ะลิฮัด ل หล่ غ ف ีรตุ ورزق ุม كريم ฟาไปว่าดังนั้น อัลลอฮีนะบรรดาผู้ที่อามานูผู้ศรัทธานี่ยกย่องให้เกียรติพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับที่มีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺได้ศรัทธาอีกหกข้อเนี่ยอามานูวามิลุสซอลิฮฺและประกอบการดีประกอบอามันที่ดีทั้งหลายนั้นล้หุม สำหรับพวกเขานั้นมารฟิโลตุลคือได้สองอย่างครับคนที่มีอีมานกับคนที่มีอมัมานท่ซอลและอัลลอฮ์ให้สองรายการมารฟิโลตุลการอภัยโทษอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะคนที่กิดคุกเนี่ยต้องการอย่างเดียวอภัยโทษแล้วพวกเราวันนี้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเหมือนอยู่ในคุก จะทําอะไรตามใจชอบไม่ได้อลัลลอฮ์สัง่งอันนี้อลัลลอฮ์ห้ามอันนี้อลัลลอฮ์ห้ามอยากจะทําแต่มันทําไม่ได้เพราะเรายึดคําสั่งของอลัลลอฮ์เหมือนคนอยู่ในคุกเหมือนกันแตนี้พออยู่ในคุกอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้ข้อที่สองวารีสกุมการีแปบลบว่าเครื่องยังชีพอันมีเกียรติในตัฟซิกผมอ่านทําะในภาษาอูรดูนี่นะ ที่เราเป็นป้อพิมพนะหมายถึงผลไม้อลิสกุงกรริมก็อธิบายว่าเป็นผลไม้อลลผลไม้อะไรนะที่มีรสหวานแล้วก็อร่อย อ, อัลลอฮฺแสดงว่าผลไม้ที่ให้เนี่ยมันจะให้นอกสวรรค์นะต้องต้องเข้าสวรรค์ก่อนไปอยู่ในสวรรค์นะู้น่ะอัลลอฮฺแล้วกินผลไม้ก่อนกินอาหาร กินอักก mm ิน hmm. กินผลไม้ก่อนกินอาหารวันนี้คนที่เดินตามคุรานนี่นะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเนี่ยกินผลไม้ก่อนตามคุรานนะแล้วก็ตามด้วยอาหารหนักทีหลังสุขภาพแข็งแรงครับแต่นี่พวกเราไม่รู้ว่าเดินตามใครกินของหนักก่อนแล้วก็ตามผลไม้ทีหลังตามใครถ้าตามคุรานเนี่ยมันต้องผลไม้ก่อนแล้วก็ อาหารที่หลังรวมไปถึงเนี่ยนะเอาสุนทรนะบีมาใชา้ตอนไหนรู้ไหมนอนแต่หัวค่ําพวกพวกปฏิเสธอิสลามน่ยพวกดาราพวกนักร่องพวกทําบาปตั้งหลายก็ <c oughs> <c oughs> เอาสุนทรนาบีไปใช้กันนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นตอนเนี่ยตอนตีสามตีสี่เนี่ ย, 3, 4, ยมาทำรายรายใจจะเยอะแยะไปหมดเลยแต่พวกเรากับนอนดึก ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตื่นเจ็ดโมงไม่รู้รูปแบบของใครสุขภาพแข็งไม่แข็งแรงเลยนะภูมิต้านทานก็ไม่มีด้วยหลายคนเสียชีวิตหัวใจหยุดเต้นใช่ไมสองสามนาทีก็รอตายยัะไงังไงพนอนดึกคุณตั้งใจไปนอนดึกตามพวกกาเฟติมเคยทำมันมาก่อนวันนี้เรามาเอาโซนารนบีมาใช้หลังนามาตีชา อย่างเต็มที่ก็บสามทุมรีบนอนสี่ทุมรีบนอนได้แล้วนะครับแล้วก็นอนตามสุนนะท่านนบีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราขยายความว่าคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์และผู้ที่ประกอบอามันที่ซอลแลนะมีทั้งหมดมันกี่รายการนะที่เล่าไปแล้วนยะี่สิบห้ารายการมีทั้งหมดประมาณสี่สิบสองรายการยวเล่าให้ฟังเลยนะครับข้อที่ยี่สิบหก อามันที่โซลแนะแล้วก็คนที่จะกล่าวทำความดีดังต่อไปนี้หนึ่งมีอัมมันที่โซลแคนที่มีอีมานเนี่ยข้อที่2ีสิบกก็คือให้กล่าวคำนี้เยอะยๆ อ, ย อ, ยอยัลล um อฮุมะอันตรบีตอนช้าๆชหอ่านอัลลอฮุมะอันตรบีลาอิลาห์อิลลาอันตอลกตนีวะอานะอับบาดูกะวะอานะอัลลาฮดีกะวะวะดีกะมัสตะตะตุ อับ <t> ุอ <t> ุลากับินีอามัติกะอัลัยย์แะอับุบิดามบีฟะฮฟิรลีฟะอินน ahu layakfiru zono bi illa anta Allahu ma'inni awjumikaminsharimazona ตัวโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยก็ให้เด็กนักเรียนอ่านดวอาตย์เช้าๆนะอันนี้จะข้อข้อยี่สิบเจตัด อะไรเอาของที่เป็นอันตรายเนี่ยออกจากถนนอันลลอฮ์นี่เป็นอามันตซือซอลแรกนะคนอิมานมุมินเขาทําที่เขาเก็บนั่นเพื่ออัลลอฮ์ะนะเพื่อไม่ให้คนอื่นที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยเดินผ่านมาแล้วเป็นอันตรายนะครับข้อที่ยี่สิบแปดเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยพี่น้อง เขาอดทนเขาไม่โวยวายไปหาหมอก็ไปขอดุงอานะขอแต่ไม่โวยวายเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเป็นด้วยกันทุกคนครับพี่น้องไม่มีไม่ยกเว้นแม้แต่น บ, บีใช่ไม่ใช่น บ, บีก็ป่วยเราก็ป่วยเวลาป่วยต้องไงนะต้องอดทนแล้วขอดุงอาต่ออัลลอฮ์ข้อที่ยี่สิบเก้ภรรยาภรรยาที่จะไปสวรรค์นะ อ, อัลลออะลลอฮ์หนึ่งภรรยาที่ไงนะ ที่มีลูกเยอะๆอะแล้วก็รักสามีอัลลอฮฺรักลูกด้วยรักสามีด้วยฉะนั้นมันต้องให้ให้เวลากับสามีด้วยนะบางคนให้เวลากับลูกอย่างเดียวลูกหลายคนเดี๋ยวคอเดี๋ยวคอมันมีเวลาให้สามีเลยฉะนั้นให้เวลากับลูกให้เวลากับสามีเวลาสามีทำอะไรรุนแรงไปก็อดทน นะครับอดทนอย่าไปอย่าไปด่าสามีเลยนะพี่น้องข้อที่สามสิบผู้ที่ได้ยินเสียงอาจารพออาจารจบแล้วก็ให้อ่านอะไรนะให้ว่าเนี่ยว่าตามที่คนคนคนอาจารย์อาจารย์เนี่ยในเวลาสุบสถเนี่ยก็ อ, อาจารย์ว่าไงนะอัสสรละตูคอยรุมมีนาณูรับว่ายังไงที่เข ร, รับกันนะ่ะผิด ซอดักตะว่า บ, บริสตะท่านพูดจริงแล้วท่านทำถูกแล้วไม่มีในฮะดีษไม่มีในสุนนะโอ้ผมมึงอ่านครบเนี่ยให้ว่าอย่างนี้ให้ว่าตามว่าล้วอัส่วนเราตัวคอยรุมมรนันนำให้ว่าเหมือนเดกคนอาานนั่นแหละอันจะเป็นความรู้นะเป็นความรู้ใหม่เสร็จแล้วก็อ่านดุอาอัลลอฮุมะอันตรับบะฮ์ฮิฮิดดาอวติตะมะวัสาลติลกอมะ อัตมุ hammad นิลวสีลาทวอลฟัติลาวับอัตหมความมหมูดันิลละดีวัดเถอเนี่ยนี่ครับคนอีมานนี่แหละเป็นอามันที่สอหละอย่าไปมองข้าบพี่น้องข้อดียี่สิบอ็ดบ้านใดก็ตามที่มีลูกสาวสองคนแล้วก็ลูกสาวของเขาเนี่ยเสียชีวิตอ๋อตอนเล็กๆนะพี่น้องเสียชีวิต ถามว่าพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจแล้วก็นางอดทนอ่าอย่าลืมนะต้องผูกอัลลอฮ์ด้วยนะอดทนต่อการสูญเสียลูกหญิงสองคนนางจะได้ไปสวรรค์อัลลอ์นี่อัลลอ์จัดให้เนี่เป็นอามันทิ่ซอแรกนะข้อที่สามสิบสองพี่น้องผู้ที่อ่านอายะกุรซีทุกเวลาหลังจากนมาดฟารดูแล้ว อันซุบฮานุลอละจบแล้วพี่น้องอีกอายหนึงอย่าลืมอัลลซุบอะไรนะอามนมอัลลอฮุลลฮอิลลัลลอฮ ح ي ا ل ق و م ل ا, إ ي ي ت َ أ خ ُ ذ س ن ة ن و َ ل ا ن َ ل َ ف ي ا ل س م ا و ا ت ِ و َ م ا ف ي ا ل أ ر ض م ن ذ َ ل ذ ي ي َ ش ف ع ن د ه ُ إ َّ ب إ ذ ن ي ل َ م ا ب ن د ي ه م و َ م ا خ َْ ف ه ُ และไม่ยุ่งเายิง in กับสิ่งใดเลยนอกจากสิ่งที <fashioned vient Clone> <mail> ่นระองค์ัรงรู้พระองค์ทรงรู้อีกสิ่นทุกอย่างพระองค์ัรงรู้ทนกสมังท่กอย่าง แต่ต้องรู้ความหมายด้วยนะข้อที่ยี่สาสสาพี่น้องให้กล่าวคำนี้เยอะๆละเฮาละวาลกูวาจะอิลาบิลานี่เป็นอามันที่ศอัลธาอัลลอฮจะประทานริสุีนะครับแล้วก็อภัยโทษให้ข้อที่ส4ี่พี่น้องให้กล่าวประโยคนี้ س ุ ح ا ن الله อิลลากิมวะบิฮัมดิฮิสบ حان الله อิลลากิมวะบิฮัมดิ ه. ตอนเช้าเนีร้อยหนึ่งตอนเย็นอีกร้อยหนึ่งแต่ก่อนนอนอีกร้อยหนึ่งดีไหมอัลลอฮฺนี่เป็นอามันติซอแล้วพอเราอายุเยอะแล้วเป็น้องก็ะยาไปคิดเรื่องเงินคิดอย่างงี้แหละกอบโกยอามันติซอแล้ ว, ว, ลวเข้าตัวเราให้เยอะที่สุดข้อที่สามสิบห้าผู้หญิงที่แท้งลูก อัลลอ์ลูกตายตอนโตกันส่วนหนึ่งนี่ตอนแท้งเองอ่ะพอแท้งลูกออกมาอนะัลลอฮ์จะได้อัลลอ์ลูกก็หายากกว่าจะได้มาตอนคนนคนกล็ลาบากใช่ไหมพี่น้องพอแท้งลูกนางต้องนึกถึงอัลลอ์ขอรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่เป็นอามันติซอแล้วนะครับต่อมาข้อที่สามสิบหกผู้ที่ปกป้องชื่อเสียง เรานั่งก็อยู่นี่นะแล้วก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งคุยด่าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมด้วยกันนี่แหละแล้วเราบอกก่ให้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เองพูดนะผิดไปปกป้องชื่อเสียงเขาอ่ะพี่น้องคนคนนี้นะเขาทำอามันติซอ แ, แโอโล้วแล้วอัลลอฮฺอัลบัแต่คนส่วนใหญ่เราเออนั่งยิ้มเอ อ, เอาเลยคุยตอ่อคุยตอ่อไม่ได้ถ้าไปย่าบยังนะคนที่ย่าบยังนี่หละคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ พูดกันอื่นดีกว่าอ่าไปยับยัางเขาปกป้องชื่อเสียงกนคนคนหนึ่งไม่ให้ถูกย่ำยีในที่ประชุมกันหลายๆคนนี่นะพี่น้องต่อมาข้อที่สามสิบเจ็ดกีวกับผู้ที่มีมารยาทงดงามเวลาโกรธเนี่ยไม่สแสดงอาการดีไหมทัอยู่ดีแล้วฉะนั้นต้องฝึกตั้งแต่อยู่ในครอบครัวก่อนเวลามโมโหพรายาอย่าสแสดงอาการนี่สแสดงเลยปับ คว่างแก้วอัลลอฮ์นั่นนั่นไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อิสลมามแต่หากไม่สแสดงอาการเขาเรียก ว, ว่าอามานุหะมิลุซอลิฮะ ค, คนนี้มันคนรีะมี إ ي م านอารมณ์สแสดงได้านไม่ได้อยู่ในบ้านเราแต่เราไม่สแสดงอาการโกรธเนี่ยคนนี้มีอามันจิซอลแหละอัลลอฮ์ให้รางวัลครับต่อมาครับข้อที่สามสิบแปดคนที่นมาซูบโบและนมาดอัสซกับมามะฮ์ที่มัส j ิดนี่เน้นอีกนะนี่เวลาซูบโบเนี่ย กับออสรีนี่มันสองเวลานี่มันหนักทั้งคู่นะ่ะคนที่มีแพ้อาแพเข้ามีสุวรรณคนอยู่มีเป็ดมีไก่ขับรถออกจากออฟฟิศขาดนามาหมดเลยนะ่ะมันจะนามาแก่จมหานะใช่ไหมถ้ารักษาสองเวลานี่นะั่งซูบู๊กกับออสรียอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ครับและเป็นอัมันติโซแล้ว แล้วต่อมารับ39คนที่รักษานามาซุนนามอักกะดะก่อนนามาโรฟรีสี่ลกะอัดก่อนนามาโรทำได้นามาสองใช่ไหมล่ะเอวันนี้เวลาเยอะเนี่ยเข้ามามัสยิดยังมีเวลาอีกตั้ง20สนาทีทำไงครับให้เกียรติมัสยิดสองละกะอัดไปอ่นานมนามาดก่อนอาบน้านามาดมาอัลลอฮ์แล้วก็นามาสองละกะอัด ใหเกีย่ยกับมัสยิดแล้วก็นมาซฮนมาตซุนนะโมอักคะดาก่อฮ์อีกสี่ละกระดับอัลลอฮฺสัญญาไว้นะครับอัลลอฮฺจะปกป้องเขาไม่ให้ตกนรกต่อมาข้อที่40สบผู้ที่มีผู้ผู้ที่มาทันนมาจจะมามาทันนมาจจะมากับอิหมามเนี่ยห้าเวลานะสี่สบวันติดต่อกันหรือไม่ติดต่อก็กได้สี่สิบวันพี่น้องครับ มาท่านอิมามตักเบลตุลูลาเลยอัลลอฮุอะลลอฮอัลลอฮฺเป็น้องสี่สิบวันนะอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ใช่ไหมไอมาไม่ท่านน่นก็เยอะไอที่มาท่านนี่ก็ต้องทําสม่ําเสมอติดต่อกันกี่วันนะสี่สิบวันอัลลอฮ์นี่เป็น้องเก็บความดีเอาไว้เยอะๆต่อมาข้อที่สี่สิบเอ็ดผู้ที่ให้อภัยไม่เอาเรื่องมองข้ามคนที่พูดไม่ดีกับตัวเองกับตัวเรา ไม่ไม่เป็นองเราทํากันบ่อยๆดามด่ดววาไ ว, ว, ว, ว, ว่ามัวาเอมันนิทานนิทานไปเอ้าเรื่องมันปล่อยมันอ่าคนเหล่านี้นะคนเนี้มีความสามารถจะแก้แค้นด้วยได้ด้วยยืนไปนานหน้าบานก็ได้แต่ไม่ทําเพราะอะไรมีอิมานก็มีอามันที่สอนแหละอลัลลอฮฺเป็นองข้อที่สี่สิบสองข้อสุดท้ายเป็นองครับผู้ที่อะไรนะ จองหองอวดดีอัลลอฮฺอักบัดคนที่ตายนะครับคนที่ตายแล้วก็ไม่มีคําว่าอวดดีแล้วก็ไม่มีจองหองและไม่มีหนี้สินอลัลลอฮฺหนี่สินนี่ยิ่งใหญ่นะเวลายืนประกาศเนี่ยใครมีหนี้สินให้ให้มาติดต่อกับกับลูกอลูกคนโตชื่อนี้ชื่อนี้ลูกว่าฉันรับเองนะพ่อน่ะปลอดภัยแล้ว แต่บางคนไม่รับมายืนเฉยใช่มเพราะนั้นใครที่ตายสภาพที่หนี้สินไม่มีอัลลอฮฺอัลเบตนะอามันที่โอแรกของเขาเยอะมากเลยอลละไรทำอย่ลงไรท่านอยาจะมีหนี้สินเยอะนะพี่น้องถ้ามีต้องอะไรนะต้องเป็นครูต้องมีลูกต้องประกาศประกาศในชาวบา้านว่าฉันรับผิดชอบเพราะหนี้จะถูกอะไรนะวิญญาณเนี่ยจะถูกแขวนไว้กับหนี้จะไม่เข้าไป พบปะกับอัลลอฮ์อัลล์จะไม่เรียกมาสอบสวนวิญญาณของเขาจนกว่าจะมีคนมารับหนี้แทนเซาก่อนจะนั้นเรื่องหนี้เรื่องใหญ่ไปน้องกับเป็นข้อสุดท้ายข้อที่42อเอาวันนี้มาอายาที่51บนะครับวะลลัลลนัสอาอูฟีอายตินามูอาจิซีน و ل ئ ك أصحاب الجحيم، والذين سعوا في آياتنا م ا ج ز ي ن ولائك أصحاب الجحيم. الحمد لله الله أكبر أيها นี้ดีมากครับวัลละที่น่าเาวัลละที่แปลว่าบรรดาผู้ที่เศราเนี่ยเศร้เนี่ยคำเดียวกันนะเดินเศรอระหว่างภูเขานะโซฟาหรืมารวานนั่นแปลว่าอะไรนะพยายามแปลว่าเพียนหรือพยายามขยันอ่าเศร้าเศรส่าอยู่แปลว่า พยายามเดินเดินเดินเดินจากภูเขาซอฟามามาดูว่าแปลว่าพยายามหรือเพียนทีนี้คนที่พยายามแล้วก็เพียนเพียนเรื่องอะไรครับมัอาจีจีนโค่นหรือว่ากีดกันหรือว่าขวางพยายามที่จะขัดขวางพยายามที่จะโค่นให้มันล้มพยายามที่จะอะไรนะกีดแล้วก็ กัดนด้วยขวางด้วยโค่นด้วยทําให้มันลม้มอยากให้มันสําเร็จคือเรื่องหัวใจริงทางทางั้งตัวเองเราทำไม่ได้เราทําไม่สําเร็จเราอัลลอฮ์ชายกับเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์คนที่จะมาขัดขวางอิสลามมาขัดขวางอัลลอฮ์มาขัดขวางอัลกุรอานมาขัดขวางสุนนะนบีเนี่ยทําไม่สําเร็จแต่พวกนี้มันก็พยายามทําใช่หรือไม่ใช่ ในโลกนี้เนะี่ยคนที่ไม่เอาอิสลามเด็ดทั้งหมดเนี่ยโมอาจีซินนะเอาอายานนี้นี่อลัลลอฮ์เล่านะคนที่ไม่เอาอิสลามวันนี้ทั่วโลกโมอาจีซินกาลังทําหน้าที่ขวางกําลังทําหน้าที่ขัดขวางกําลังทําหน้าที่โค่นล้มนี่อลัลลอฮ์เล่านะคนล้มสุนนนะบีมีไหมมีคนล้มกุรอานมีไหมมี เข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมไหมมีเขาทาทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องแต่คนที่ถูกฆ่าถูกทำลายนั้นไปสวรรค์หมดนะและคนที่เลื่อนงานคําสั่งของอัลลอฮ์ดูถูกกีดขวางคนล้มนะไม่สําเร็จนะพวกนี้ทําไม่สําเร็จด้วยพี่น้องแล้วก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ด้วยเป็นชาวนรกอายาตไปอันที่นี้มาดูวัาแ ล, ลี่น่าเศร ฟิอาญาตินาอาองค์กลางทั้งหลายของเรามาถึงอิสลามมาถึงคุรานมาถึงสุนนะนาบีพี่น้องมาถึงอิสลามที่มาจากทุกนาบีที่มาก่อนหนะน้านบีทั้งหมดในพี่น้องนั่นเป็นอิสลามทั้งหมดอุลัยกอัฟฮับุลจาฮิมเขาเหล่านั้นเหล่านี้ เขาเหล่านี้ อ, สอสปปัสซาบอัสซาบอปไรนะสหายเป็นเพื่อนทําไมอลัลลอฮ์ใช้คำว่าเพื่อนล่ะเพราะมันรักกันนะรักกับใครครับเป็นเพื่อนของใครจะให้แปลว่านรกอลัลลอฮ์บางบัดเป็นเพื่อนของชาวนารกภาษาของอลัลลอฮ์นี่ชั้นหนึ่งจริงๆอลัลลอฮ์เองเป็นเพื่อนกับชาวนารกเองเป็นเพื่อนกับไฟนรก เ, เนองไม่ไปลอง อาจจะนั้นคนที่ขาดขวางอิสลามพี่น้องทําสําเร็จไหมไม่สําเร็จโมอาจีจีนแปลว่าทําไม่สําเร็จนะไม่ได้ทำจบนะทําไม่สําเร็จแปลประกาศนะอิสลามเนี่ยเป็นาศาสนาที่ศัตรูเนี่ยเล่นงานมากที่สุดแต่ที่ไหนได้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ใ ช, ใช่ใช่ครับอัลลอฮ์พี่น้องอัลฮัมมุลเลลาเนี่ยยิงอย่างนั้นพี่น้องครับ หันมาเรียนอิสลามดีกว่ามาศึกษาสุนนะนบีดีกว่าเข้ามาหาอัลล์และระซูลด้วยหัวใจที่นอบน้อมถม่อมตนดีกว่าพี่นอ้องอิมามอ่านมาตอนเช้าเนี่ยอะไรนะกอซียะอันมินซิคลินลาหัวใจแข็งกระด้าง น, นะคนคนแบบไหนหัวใจแข็งกระด้างก็คือคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และุา นีก็เหมือน ก, นกันกับคนที่ขัดขวางอิสลามขัดขวางอัลลอฮ์ขัดขวางอัลกุรอาน AH, ขัดขวางสุนนะนะบีนะั้นเป็นคนใจกระด้างหมดเลยครับพี่ น, อน้องถึงจะร่ํารวยมีชื่อมีเสียงอยู่ในสังคมก็เถอะไม่ใช่เป็นคนดีทรายพี่ น, อน้นองเป็นคนใจกระด้างพี่ น, น้องอัลลอฮ์อัลกุรอานนกะุานะได้ข้อคิดเยอะมวกแล้วพี่ น, น้องอ่ะทีนี้คําว่าโมอาซีดีแปล ว, ว่าผู้ที่ ขัดขวางผู้ที่โคน้นไม่ให้มุสลิมเดินตามสุนนนาบีไม่ให้คนรู้จักอิสลามพี่น้องคนเหล่านี้เป็นอะไรนะเป็นสหายของไฟนะรกหมดเลยเอล่อยพี่น้องคนที่ขวางอิสลามเนี่ยถ้าจะผมเช็คจากฮะดีษนะมีทั้งหมดประมาณยี่สิบกว่าข้อเอาเล่าให้ฟังดีกว่านะอล่อยพี่น้องหนึ่ง อัลลอฮ์ให้มุสลิมได้ร่ำรวยมีไหมมีนั่นคนที่มีเงินมีทองรวงมไปถึงคนกาแฟด้วยนะที่อัลลอฮ์ให้ร่ำรวยเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้เขามีริสกีเยอะแต่เขาไม่จ่ายสกาดนี่เป็นคนที่ขวางทางอัลลอฮ์แล้วบอกว่าในโลกนี้มีอยู่อยู่กี่ตระกูลที่รวยๆนะมีไม่กี่ตระกูลน่ะและพวกนี้เคยจ่ายสากาัดไหมเคยดูแลสังคมไหมม่ก็จะ ด, ดูดูแลตัวเองะ ดูแลครอบครัวตัวเองกตดูแลคนอื่นไม่มีเลย น, ะนี่เป็นนะบทที่หนึ่งข้อที่สองพี่น้องหลายนะครับคนที่ขวางอลัลลอฮ์เนี่ยขวางรอซูลก็คือคนที่ตั้งใจฆ่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองนี่เป็นบาปใหญ่นะเป็นชาวนารกทั้งหมดนี่นะข้อที่สามผู้ที่หนีจากสงครามนี่เป็นบาปใหญ่เลยนะ สมัครไปเป็นทาหารไปปกป้องอิสลามเสร็จแล้วเข้าไปไปเห็นตรงเห็นนี่กลัวหนีอีกอเอาเอาหรอมีไหมมีครับในสมัยนบีก็มีนบีลงโทษหมดแล้วนะต่อมาข้อที่สี่ผู้ที่กินเงินเด็กกำพรา้าเอาหรอพี่น้องการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นของดีใช่ไหมเนะี่ยแต่รายได้ที่ได้มาจากจากเด็กกําพร้าเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่พี่น้อง ถ้าเราเป็นคนดูแลเด็กกระพานเนี่ยใช้ได้เป็นบางส่วนนะแต่เอามาใช้ทั้งหมดไม่ได้ต้องมอบให้เด็กกระพาจริงๆคนที่ทําความผิดแบบนี้อลัลลอฮ์ถือว่าขวางาศาสนาของอลัลลอฮ์คนข้อที่ห้าคนที่กล่าวร้ายใส่ร้ายผู้หญิงที่บริสุทธิ์นะครับผู้หญิงที่สะอาดว่านางเป็นโสเพณีเช่นใครครับท่านหญิงอาอิชะระดีอัลลอฮ์ห่างฮะเป็นภรรยาอนนัล ถูกพวกมูนาฟิกใส่ร้ายว่านางนั้นเป็นชู้นั่นนะ่ะ อ, อารดนบีลงโทษแล้วนะเขียนคนละแปดเซนตมีอยู่สามคนและมีผู้หญิงอยู่คนนึงถูกเขียนด้วยสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นะครับต่อมาข้อที่หนะครับคนที่ทําบาปคนที่ทําชั่วพี่น้องทุกรายการเลยทำหมดพี่น้องนี่เป็นคนเลวนะครับเป็นชาวนรกต่อมาข้อที่7คนที่ทิ้งนามาน ไม่นามาศพี่นออ้องอัลลอฮ์โทษยางยิ่งลูกๆเราเนี่พี่น้องไม่น้าที่เราต้องอบรมต้องเตือนให้ลูกเนี่ยนามาให้ครบวละหเวลาต้องเตือนให้นามาซุนนะโมอาคกกดา ด, ด้วยกดต้องเตือนให้พาไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมญาติเยี่ย ม, ยยยมอลัลลอฮ์บััติง่าศา ส, สนาเนี่เยอะไปหมดไม่ต้องไปคิดเรื่องใหม่เอาเรื่องคําสอนนอิสลามเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วพี่น้องต่อมาข้อที่แปดคนที่ไม่ได้ถือศีลอด เดือน رمضان ม, มาก็ไม่ได้ถือรู้ได้ไงเพราะวันนี้มีคนโทรศัพท์มาสารภาพอ่ะมาเล่าอ่ะจ้มาม่ได้ถือบวชมาเลยสิบสิบปีแล้วเรทําไงอ่ะ <ت ص في ق> แต่บ้านตัวทําไงจะบวชกว็ดอไม่บอกเอาเอาเลยแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปกลับเมื่อกลับตัวนะอ๋อ ล, ล, ลาบโดนเลยไปน้องสารภาพผิดกันเยอะเลยวันทำโดนเ ล, ลยต่อมาข้อที่เก้าไปน้อง ผู้ที่มีความสามารถไปทําพัดแต่ไม่ไปไปฮ่องกงไดไปไปทัวร์ที่อื่นมอเตอร์แม็กซ็ไปไม่ได้พี่น้อง o, อัลลอฮฺอาคบะต์เอาต่อมาข้อที่สิบผู้ที่ทําความดีแต่ทําเพื่อการอวดอ้างโอ้อวดนี่ก็บาปนะพี่น้องอัลลอฮฺความดีนะ่ะทาไม่ทําแต่ว่าใจของเขาไม่ทําเพื่ออัลลอฮฺเลยพี่น้องเมื่อวานนี่ผมไปบรรยายที่หาร์ยายน่ะ ฉันเลื่อโทรศัพท์ไปหาผมยุ่อยู่บนเวทีพอดีขอโทษที่ไม่ได้โทเนี่เด็กนักเรียนจะเรียนแพทย์กันอีสามสองสามปีข้างหน้าเพื่อปรกองก็มาประชุมนั่นหลายร้อยสองสาร้อยคนทำเรื่อยๆผมก็พูดเรื่องเรื่องดูแลลูกทํายังไงอะไรไงเอางอนนี้พี่น้องเรานึกแค่สามรายการพอภูเราเนี่ยนะทําไงหางเงินมาทําสอดๆก็พ่อนบีพูดว่าเวลาคนตายเนี่ย มีอยู่สามรายการที่เอารอบเปิดไว้ผลบุญของคนตายได้รับสม่ำเสมอหนึ่งสดอดส่อยารียาใช่ไหมสองความรู้ใช่ไหมสามลูกที่ซ้อนแล้วใช่ไหมสามรายการสามรายการวันนี้เราคิดแค่สามรายการนี่พอแล้วอันนี้คุมคุมคุมคุ ม, ค, มคุมตัวเราหมดเลยนะหนึ่งหาเงินเพื่อทอําสอดส่อถ้าไม่มีความสามารถหาความรู้ใส่ตัว อิมุนยุนตาฟาอูบี hi. หาความรู้ใส่ตัวความรู้อะไรครับเรื่องสุนนะนบีกับเรื่องคุรานี่น้องศึกษาสองรายการนี้และความรู้ร่วมสมัย่เอามาด้วยสองแล้วนะอันที่สามดูแลลูกยังไงให้เป็นลูกที่สอนแล้วคิดสามรายการเนี่ยพอแล้วไปน้องอา้ามีธุรกิจอา้ามีเงินมีทองเนียอย่างเดียวสวนแล้วก็ทาบุญสนแล้วก็ทาบุ ญ, บญข้อที่สอง หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่เฉยๆเว้ยน้องต้องหาความรู้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มรู้เรื่องสุนทรนะบีระดีที่สุดอย่างเนี้ยอาจารย์เนี่ยสอศเราตัค่อยรุ้มินอนนามแล้วก็อ่านมาสอทักแต่ว่าบริต์กอ่านก็วบอกไม่ใช่สุนทรนะบีแล้วว่าไงอ่ะสอศเราตัวค่อยรู้มินอนนี่ได้ความรู้ใหม่ได้มาซื้อนี่เองผมก็ค่อยเปลียนไปใช่ไหม อาต่อมาอีกเรื่องหนึ่งอะไรนะวา้ลาดุลสอลลหุนใครไม่ลูกเจ็ดดคนสิบคนนี่ยทำไมครับต้องคิดเยอะทำไงไม่ให้ลูกเนี่ยเป็นลูกที่สร้างลูกให้เป็นลูกที่ซอ้อนแลวทำยังไงอลอยยิ่งใหญ่มากพี่น้องเลยสามรายการนี้พอเลยนะคุมไหมคุมแล้วคุมชีวิตเราทั้งหมดเลยแล้วก็แล้วก็ผ ล, ละบนนั้นส่งถึงเราหลังตายด้วยนะครับพี่น้องอต่อมาครับข้อที่อคชัยเนี่ย เทานะข้อที่10ข้อที่11อพูดที่อ้างอ้างว่าท่านนาบีทำแบบนั้นทำแบบนี้แต่นบีไม่ทำสักทีนึงอันนี้บาปใหญ่มากเลยอ้างว่นานบีทำอ่าข้อที่12ผพูดที่วางตัวเตะท่ามีไหมมีครับเลิกซะไม่ใช่อมัณฑิตโซแลเลยเป็นบาปทั้งหมดนะ่ะ ข้อที่สิบสาผู้ที่ทําดินาอัลลอฮฺพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายออกห่างให้หมดพี่น้องไอ้ที่ทำมาแล้วต้องตบตาตัวต่อลรอข้อที่สิบสี่ผู้ที่ดื่มหรือเสพของมึนเมาทุกชนิดได้ไปนรกหมดครับพี่น้องเวทวยกเว้นคนตบตาตัวต่อรอข้อที่สิบห้าคนที่ฆ่าตัวเองทําลายตัวเองมีไหมมุสลิมมีนั่นละ ก่อนก็นมีแถกเทียนน้าจอกันนะอลัลลอฮ์ผมโดนด่าด้วยเองสอนอะไรกันวะสอนให้ค น, นทำไมเขาไม่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยตัวครูถูกด่าด้วยเองสอนอะไรกันอนะ่ะทําไมไม่สอนอให้คนฆ่าตัวตาย อ, าอัลลอฮ์ แ, าาแล้วเขาเขาจะเขาด่าถูกแล้วแับว่าน้อมรับว่าใช่ใช่เราสอนผิดข้อที่สิบสิบห้าพูที่วาดรูปโอ้พี่น้องพูดที่วาดรูปอลัลลอฮ์พี่น้องนะ ไอ้วิชานี้นะเรียนได้จะอย่าอย่าอ ย, อ ย, อยมาเป็นอามันเป็นอาเป็นงาเป็นอาชีพนะเรียนได้ไม่มีปัญหาให้รู้อย่างเดียวว่าในเล็กน้อยให้เด็กดีให้เห็นได้เห็นได้รู้แล้วก็รีบรีบรบลบซะไม่มีปัญหาข้อที่16ผู้ที่เรียนศาสนาเพื่อเงินเรียนศาสนาเพื่อหาตําแหน่งเพื่อเพื่อหาชื่อเสียงเกียรติยศนี่เป็นบาปนะนี่สอนตัวมเองเลยไป น, น้อง เนี่ยเป็นน้องเรียนศาสนากันอยู่เนี่ยถามว่าเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเข้าไท้ตัวเองเข้าใกล้อัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ได้ขอพระคุณอัลลอฮ์ได้ทําให้อัลลอฮ์พึงพอใจในอามัณที่เขาทําแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อข้อที่17บนะครับเป็นน้องผู้ที่โกงกินเงินจากใบตุลมา น, นะครับจากกองคลังข้อที่18คนที่อายุแกแล้วอย่างพวกเราเนี่ยอายุหกสิบแล้ว ยังไปทําสีนาอยู่อีกเลยขออนุญาตอดรอหนะให้แกแกอย่างเดียวแกติดสู่เรานะทำอยู่เรื่อยแล้วต่อมาข้อที่สิบเก้าข้ที่ล้าเลิกบุญคุณล้าเลิกบุญคุณอธิบายยังไงอย่างเท่าถ้าทำความดีเนี่ยทําความดีกับคนคนนี้ไม่ได้เนี่เพื่อัลลอฮ์เนี่ยที่เขามาช่วยงานเราอย่างเงี้ยล้าเลิกบุญคุณหรือเปล่าผมว่าล้าเลิกบุญคุณนะใช่ไหมคุณเฉลิม เอาเงินให้คนคนหนึ่งทำความดีกับคนคนนี้เนียดอย่างเดียวเวลาเรามีปัญหามันมาช่วยเราไม่ใช่นะอย่างนี้เขาด้ว่าไมไ่เนียดเพื่ออัลลอสุบฮานาวะวาอัลาข้อที่ยี่สิบผู้ที่ทำร้ายสัตว์เช่นขังแมวไว้จนตายบาปนะพี่น้องนะอละัลลอักว่าทําททตรงกันข้ามเอาน้ำให้สุ น, นัขกินได้ไปสวรรค์อลัลลอเห็นไหมข้อที่ยี่สิบเอ็ด คนที่อาธรรมกับคนอื่นพี่นอ้องอัลลอฮฺพี่น้นองแล้วก็คนที่อาธรรมกับคนอื่นไปนทงความดีของคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยนะเป็นไงนะถูกถูกถูกเข้าบัญชีความดีเนี่ยถูกเข้าบัญชีหมดเลยมาฉะนั้นอย่าไปทําความไม่ดีกับคนอื่นนะนะครับเอานั่นเป็นไรนะเป็นบาปทั้งหมด มีทั้งหมดประมาณ21กวัญกจเอามาดูอายะที่52ว่มาอัลสลามิงกับลิกะมิรรัสูลวาลานบีอิลลาอิดะท์มันนาอัลกุชชัยตานฟีอุมนียะตี ฟย ق ِส ا ุลَّ ي ْมَยุล ثُمَّ ي ُ ح ْ ك ِมม ا ยَّุมุล ي َ ا ت ِ ه ِยَติ ل َّ ه ُ ع َ ل ِล م ٌมุ ك ِ ي กٌม ل ل ลล ك ب ر ดีมากเลยอนนี้ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا ن َ ب ِ ي ّ إ ل َ ا إِذَا تَمَنَّى ا ل ق َ ش ْ ي ط َ ا ن ُ ا ل ْ ق َ ش ي ط َ ا ن ُ فِي أ ُ م ْ ن ِ ي َ ت ِ ه ฟยันซักุลลอฮฺมะยุกชตัุ่มมะยุห์มุลอติออัลเมุนกอลดูน้องดูคแปนะ w a m a i asalna, m i n q p b l i k a h Mir Rasulin, wala nabiin. y Ayani popcair nabi. Yang popcair na, adu campaign. Lep, kita tidak dapat. Wahai asalna, berarti kita tidak m i n q p b l i k a h di depan Tuan, di depan Nabi Muhammad. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Ayy. ฉันไม่ได้ส่งนบีคนใดที่มาก่อนหน้าท่านอิลลามิรซูลนไม่ว่าจะเป็นรซูลวะลานาบียุนไม่ว่าจะเป็นนบีอธแบายว่าสองตำแหน่งนี้ไม่เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่เอยเอย้ายก่อนเออย์รซูลก่อนแล้วก็ น, นบีมาทีหลังอธิบายอย่างไงรรซูลกับนบีนี่ตัองสินอธิบายดี คำว่ารอซูลหมายความว่าคนที่อัลลอฮฺประทานท่งนับส่งรอซูลคนนี้มาก่อนจะเป็นรอซูลต้องเป็นนบีก่อนนะทรงนบีมาเสร็จแล้วพอให้คำภีเป็นอะไรนะเป็นหนังสือคู่มือมาจึงเป็นรอซูลอถ้าไม่มีหนังสือคู่มือมาไม่มีคำภีมาไม่ใช่รอซูล ถ้ามีคำภีร์มาเช่นนบีมูซานี่เป็นอะไนะเป็นรอซูลนบีนัวเป็นรอซูลนบีอิบรอฮีมเป็นรอซูลนบีอีซาเป็นรอซูลนบีมุ hammad เป็นรอซูลมีอยู่หท่านที่ได้รับคำภีร์มาจากอับบอนอกจากนั้นเป็นนบีหมดเลยเพราะไม่มีคำภีร์ถูกประทานลงมาให้ แต่ให้เอาความรู้เดิมของบรรดา น, นาบีที่มาก่อนหน้าเนี่ยเอามาสอนต่อเอามาต่อยอดที่หลังเช่นอย่างบีฮารูนอย่างเงี้ยมารุ่นเดียวกับสมัยนาบีมูซาแต่มูซาได้รับคำทีแต่ฮารุนไม่ได้รับจานั้นก็ฮารุนก็เอาความรู้จากนาบีมูซาเอามาสอนต่ออย่างนี้เป็นต้นจากนั้นรอซูลกับนาบีเหมือนกันไหยไม่เหมือนกันอุลมะอธิบายอีกเขาบอกว่า นบีเนี่ยได้รับวหฮีผ่านการฝันผ่านฝันเพราะความฝันนี่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเป็นเป็นวาฮีเฉพาะของนบีนะของพวกเราเนี่ยต้องหารสามนะหนึ่งฝันมาจากใจตอนสองฝันมาจากตัวเราเองคิดอะไรตอนกลางวั น, วนกลางคืนก็ฝันเรื่องนั้นแหละแล้วก็ฝันอีกทีหนึ่งก็ฝันที่ที่ดีมาจากอัลลอฮ์ทีนี้พอฝันดีเนี่ยเล่าได้ คนบางคนที่ใกล้ตัวที่สุดเอาเช่นภรรยาหรือสามีถ้าฝันไม่ดีเนี่ยห้ามอะไรห้ามเล่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าฝันไม่ดีทําไงนะให้ลุกขึ้นพลิกตัวถ้ากลัวมากก็ไปอาบน้น า, าน้ำมาดมานามาสวงล้ก็อัดแ ล, ลด้วมานอนในท่าสุนทรนาบีให้นอนตะแคงขวาเอามือขวาจับแก้มแก้มแก้มขวาแล้วก็นอนไปน้องเนี่ย ฉะนั้นฝันดีเล่าให้คนบางคนฟังได้ถ้าฝันไม่ดีเงียบอย่างเดียวแล้วก็ปรึกษากับอัลลอ์คุยกับอัลลอ์ตรงๆถ้าฝันฝันไม่ดีมาจากชัยตั่น้องหลายอัลลอ์บเราต้องหารเท่าไหร่ <laughs> หานสามแต่ของนบีนั่นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับอ่ทีนี้นี่ปลอบใจนบีมุฮัมมัดเอ้ยคนที่ขวางท่านรังแกท่านไม่เชื่อท่านไม่ใช่ท่านคนเดียวนะ บรรดานบีที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดก็ถูกอย่างนี้มาแล้วเช่นนาบีอิบรอฮิมถูกโยนใส่ไฟนาบีนัวก็เหมือนกันอลอวางบัตรต้องต่อเรือใช่ไหมหนบีมูซาฟา โ, ฟาโรมาขวางใช่ไหมไม่มีใครเผยแผ่อิสลามแบบราบรื่นเลยสักคนหนึ่งไม่มีมีแต่ลำบากลําบากหมดเลยฉะนั้นปลอบใจนาบีและปลอบใจพวกเราที่อ่านอัลกุรอานวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ชายตอนมันมาอย่างไง สตูมาอย่างไงอิละอิละทาม น, นาตาม น, นาแปลว่าหวังเมื่อนาบีหรือรอซูลหวังคําว่าหวังของนาบีก็หวังเรื่องดีหมดตหละหวังจะให้คนนี้เป็นอิสลามหวังจะให้สังคมมุสลิมนี่เป็นยูเนสตี้เป็นปึกแผน่นอยากจะเห็นมุสลิมเนี่ยมีเพิ่มคูนอยากจะให้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้น นี่เป็นความหวังของนบีและความหวังของพวกเราด้วยเหมือนกันเราเห็นคนในหมู่บ้านเราเนี่ยเข้ามาสู่เรานะมากันเพิ่มพรับอยากไหมอยากอยากจะให้อลลอฮคือคิดดี ด, ดีดีหมดเลยไอคิดดีแต่ละท่านอาลัลลอฮฺเล่านะอัลกออชัยตอนอะไรมาครับ Akbar, อัลลอฮฺวางไซตันก็จะมาอัลลอฮฺประยุแยเลยให้ไหมไซตอนมันจะมานี่สบาใจมาฉะนั้นใครที่คิดเรื่องดีนะเดี๋ยวมันจะมาแล้วอะ่าไปทับเลยอยไปทับเลยไอ้พี่น้องใครคิดไหมล่ะบางทีบางทีงทพายาอย่าไปทับเลยแต่วก น, นึกนไซตันหรือเปล่าเนี่ย มันต้องนึกนะบางทีลูกก่าขวางอันดุนกว่าขวางจะแต่งงานอ่ะาจะแต่งงานเมียตาจะแต่งงานถามว่าแต่งงานผิดไหมไม่ได้ผิดตรงไหนเลยพอ่อแต่งทาไมอายุเจ็ดสิบแล้วอ้าวไอ้เรานะ่ยคิดดีเออจ ะ, อะมีคนมาเลี้ยงดูหุงข้าวหุงปลาลูกไม่ต้องมาอะไรนะมาทรมานเพราะลูกไม่รู้ใจพ่อหรอกใช่ไหมคนขวางเต็มไปหมดเลยคิดของดีนั่นแหละ แต่มีคนมาขวางไอ้คนที่ขวางนะใครในคุณอ่านเล่าเองนะอัลกออชัยตอนใครมาขวางครับชายตอนมาเยือเห็นไหมอัลกออไปวายุแย่เห็นไหมพี่น้องฉะนั้นใครที่คิดเรื่องดีจะทำของดีๆอย่างนบีคิดสองสมเรื่องหนึ่งคิดจะอ่านอัลกุรอานชายตอนมาเลยอย่าอ่านอย่าอ่านอย่าอ่านเราก็เหมือนกันคิดจะอ่านกุณอ่านเราทีลืม ความการลืมนี่มาจากไหนมาจากไซตอนครับกอ่านสุร ย, ยุ์ยซุฟนะ่ะฝานซาุอนไซตอนทาให้ยูซุฟลืมเห็นหมสันเรื่องลืมทั้งหมดมาจากใครมาจากไซตอนดังนันเวลานึกได้็ว่าไงครับอัซุบิลลาฮิมนัอนิโรดีผมเองเนเคยหาเอาว่ตาไว้ยังท่านนี่แหละว้วข้งบนแว่นตาไปไหนจะอ่านหนังสือ เดินผ่านกระจกอ้างอยู่ข้างบนนี่เองทัั้นอันก็ใช่ตอนใช่ตอนทั้งหมดมีหน้าที่ยุให้คนลืมแล้วก็หลงไม่ให้ทําความดีอย่างนาบีเป็นการตองจะจะให้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นศัตรูมาเลยอับูจหันอบูละฮับไคตะไครมาเต็มบางทีมาในรูปคนและบางทีมาในรูปไม่ใช่คนนะครับมาอะไรเนะี่ยวิสวาม ส, สร้างความสับสนขึ้นใน ใ, นใจตัวเองอ่ะพี่ต้องเข้าใจนะ ฟีอุมนิยะที่อูอุมนิยะแปลว่าเกี่ยวกับความหวังของเขาเองความหวังของนบีอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่านะไซต์อนมันจะมาอะไรนะมายุเอะนะครับมายุเอะนะครับเกี่ยวกับความหวังของนบีนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเรื่องจริงไหมจริงครับ นี่ถ้าไม่อ่านกูอานไม่รู้ ah. อัลลอ์อ้าวอ่านต่อไปฟาญซคุลลอฮูมายุลทิชัยตอนแต่อัลลอ์อัลล์แต่อัลลอ์อัลลอฮ์พี่น้องครับทรงลบล้างอัลลอ์ทรงทำลายที่ชัยตอนมันยุแย่อัลลอฮ์จัด ก, การให้เลยเห็นไมพี่น้อง เอาเราจัดการแทนพวกเราเลยช้ยตอนเองไปแต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยนะช่วยว่างนะอ่านได้อา อ, อุบิลลาฮิมีนัสชายตอนอิร์จีอัลลอฮฺอัลกบัลเพนยังกับนี่คือชีวิตของเราอะ่ะกุรอ า, านคือชีวิตของเรา <c oughs> เดินตามกุรอ า, านพี่น้องศึกษาอัลกุรอ า, านได้ความรู้เต็มเลยเ ล, ลาสรุปง่ายๆก็คือว่า นบีจะคิดทำอะไรของดีๆต้องการจะให้ประชาชนรับอิสลามเยอะๆศาตูมาไหมมาแต่ทำสำเร็จไหมอาญานี้ไม่สำเร็จอลัลลอฮ์ไล่ชายตอนออกไ ป, ไ ป, ไปเราเหมือนกันคิดจะทำดีของดีๆเพื่อเพื่ออัลลอห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออ AH. ัลลอ์ชายตอนมาไหมมาเรต้องจำเลิกอีกเอาสุบิลลนเลยนะชนกัะทะเลาะกันเนี่ยอนานบีสอนไง ไอ้ทะเลาะกันมันของของของผิดอยู่แล้วนะ่ะทําไงจะให้เลิกทะเลาะกันแบบแบบแบบแบบวายวายทาอยู่ในท่ายืนทําไงให้นั่งเห็นยังครับถ้าอยู่ใ น, นทาในาใน่านั่งมายังไม่หมดอีกอะ่ะทาําไงให้นอนนอนกันยังจะเอาอีกอ่ะวิ่งไปลูกขึ้นมาแล้วก็ไปอาบน้ำน้ำมาดเห็นยังบอกไปสามขั้นตอนเนี่ยยังครับเอ๊ยอาบน้ำน้ำมาแล้วยังจะเอาอีกให้เดินออกไปห่างๆไปหน่อย สักสองสามชั่วโมงไปให้พังหางไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันนี่วิธีแก้นี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องนี่งักุรอารนสอนเราทั้งหมดเรื่องชีวิตของเราวันนี้อ่านห้องดูเลยต่อมากับซุมม uh ายุกิมุลลอห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮจะทรงตั้งอายะแปลว่าองค์การหรือหลักการของอิสลามเนี่ย ของพระองค์เนี่ยให้มั่นคงยอกกิมแปลว่าให้มั่นคงให้อยู่ต่อไปไม่ให้หมดถึงไซตตอนจะมาทำลายขนานไหนอัลลอฮ์ให้อิสลามเนี่ยมั่นคงอยู่ต่อไปอิสลามอยู่กับไปของอัลลอฮ์ไปน้องไม่หมดคนมุสลิมจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปน้องถ้าตั้งที่ไซตตอนตัวแทนก็คือยะฮูดีกับศัตรูของอิสลามหกลุ่มกาเฟตมุชลิกมุชมุ กาฟิร right? ินมุซริกีนมูนาฟิกินห้ากลุ่มรวมกันทำลายอิสลามไม่สำเร็จครับอันนี้ทำรมดึงการเมืองนั่นนะไม่สำเร็จครับแต่เอาล่ะพูดฉลาดใช่ไหมอ่านดูมันไม่มีการเมืองตรงไหนเลยใช่ไหมอ่านดูดูไปอีกทีหนึ่งว่มาอัลสลามิงกอบลีกามิรอซูลิอุานบีนไม่มีรอซูลคนใดไม่มีนบีคนใด ที่อัลลอฮ์ส่งมาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดนั้นทุกครั้งที่เขาคิดนะครับเรื่องดีๆมีความหวังตัมมานานะมีความหวังนะเรื่องดีๆนะไซตตอนก็จะมาทําลายความความอะไรนะความหวังของเขาแล้วเป็นไะครับทําลายสําเบ็ดไหมไม่สําเร็จครับฟายันสักุลลอฺอัลลอฮ์ทำลายอัรรยลลอฮฺอัลกบะดน้องอัลลอฮ์ลบล้าง นาซักในวันลบลา้างนะทาลาลยในลบล้างอะไรนะสิ่งที่ใช่ตอนอยุแยและต่อมาครับซุมมายุกิมุลลอห์อายาติและอัลลอฮ์เนี่ยให้อิสลามให้หลักการอิสลามให้ความหวังของนบีให้ความหวังของคนที่อ่านคุ้อ่านคิดจะทําความดีนั่นมั่นคงอยู่ต่อไป วะแล้วอัลลอฮเป็นผู้ทรงรคบรู้อัลลอพี่น้องเราคิดอะไรอยู่วันนี้อัลลอฮรู้หมดแล้วก็ ح กีมแปลว่าทรงปรีชาญากับรรวารู้เหมือนกันพี่น้องแต่รู้ที่ละเอียดกว่าครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮพี่น้องหน้าที่ของสายตอนเป็นอะไรรู้ไหมมัมมระซิบที่ไหนผมเคยถาม มุสลิมามาประชุมกันอย่างนถามว่าชายตอนมากระซิบที่ไหนหลายคนบอกกระซิบที่หูผมบอกไม่ใช่กระซิบที่หูเนะ่คนรัก <c oughs> ฉันรักเธอแล้วกระทใครสอนมากระกระิบที่หัวใจครับอายาไหนครับอัลลอฮฺยูวาสุวีสูฟีสูดูรินนนี่หน้าที่ของชายตอนเลยมากระซิบที่หัวใจเห็นไหม นี่ถ้าเราไม่อ่านคัมภี ร, ร์ อ, อ่านกุมภรอัจฉรยะนี้ไม่รู้ความหมายนะทุกโอกนะอัลลอฮฺยูวัสวิซูฟีซูดุูไปหัวใจอั น, นาดของมนุษย์นนษยูวัสวิสร้างความสับสนโดยใช้ตอนที่หัวใจมนุษย์เลยอุลโลพี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺที่เราเรามีอัลกุรอานเป็นทางนาสําหรับชีวิตนะครับเอาต่อมาครับอัลลอฮฺปกป้องนะพี่น้องปกป้องนะครั บ, รบทําอธิบายคุณล้วมาตัฟซีนนะ ปกป้องคนกาเฟตมาให้ทำลายอิสลามโดยมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์สองอัลลอ์ปกป้องคนชั่วไม่ให้มีหน้ามีตานในสังคมโดยกลุ่มมุจยาฮิดีนที่ทำงานศาสนามาทำลายอัลลอ์จะรักษาสุนนะของท่านนาบีที่ไหนมีบิดาอ้างพี่น้อง แล้วเอาซูน่าไปสอนค่อยๆบินอ้าค่อยๆหายค่อยๆหายนี่วิธีรักษาของอัลลอฮฺสุภานววาาะอุบอดนาเดอัลลอฮฺดูแลตลอดเวลาฉะนั้นอัลลอฮฺให้มุมินผู้มีาศาสนานี่นะดูแลาศาสนาของอัลลอฮฺถ้าว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับถูกรังแกไหมถูกรังแกถูกเข็นข้าถ้าตายก็ตายเฉีดแต่แการเป็นอนกได้เอาต่อมาครับข้าอธิบายเยอะก็ะว่า ก, การรู้จักอัลลอฮฺองเดียวเนี่ยได้อะไร ได้สามรายการพี่น้องบันทึกเลยนะได้สามรายการคนที่รู้จักอัลลอฮ์ยึดอัลลอฮ์องเดียวไม่ทำชีริกไม่ทำบินหาพี่น้องได้สามรายการรายการที่หนึ่งตายไปแล้วจะไม่ได้รับการลงโทษใดๆเลยตลอดไปหลังตายพี่น้องพอวิญญาณออกจากร่างปับ๊บแบกไปฝังที่กูโบไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้น ตลอดไปนี่ผลจากการเรายืนหยันในอัลลอฮ์องเดียวนะครับไม่ทำเชลีกนะยึดสุนนะนบีด้วยนะข้อที่สองพี่น้องครับจะได้รับทางนําระวังอยู่บนดุนยาใบนี้แต่ครับคนที่ยึดอัลลอฮ์องเดียวนี่นะจะได้มีโอกาสได้รับรู้สุนนะนบีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นรับสุนนะนบีเขาเรียกว่าอยู่ในทางนำนี่ข้อที่สองนะ ข้อที่หนึ่งอะไรนะมาจะรับการลงโทษใดๆหลังตายตลอดไปโอ้ โ, โหเพราะว่าชีวิตอาคิรอไม่มีวันจบนะดุนยาจบไหมจบในรอตายเนี่ยเชเชีสิบสองแล้วเนี่ยปีหน้าก็อินนาลิแล้วอินาอนาอายไรอโยนข้อที่สองอะไรพี่น้องเขาอัลลอด์จะชี้ทางนำเขาให้รู้จักสุนนะนบีนี่ไงยึดอัลลอ์ให้แน่นข้อที่สามพี่น้องครับอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ ตักฟีรุซโนพี่น้องบาปไม่มีอภัยโทษในดีเลยไมด่ดีนี่อุลมามะเขาสรุปมาจาก ค, คําพีกราฮ์พี่น้องการรู้จักอัลลอฮ์องเดียว Allah อัลลอฮฺอัลบาดยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวอย่าทําชีริกอย่าทําบาปอย่าทําบิดาพี่น้องอัลลอฮ์ให้สามอย่างหนึ่งตายแล้วไม่มีการลงโทษอันที่สามอัลลอฮ์จะฮิดายะ ชี้ทางนำในเขาเรียนรู้สุ น, นัานับบีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นอันที่สาม Allah, อัลลอฮอภัยโทษให้เลยดีไหมดีมากๆกครับพี่น้องอัลลออักบุบะด์อัลอุลามะอธิบายอีกอายะนี้อธิบายกว้างนะอธิบายต่ออีกแต่ว่าเป้าหมายของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับเป้าหมายของคนลกาเฟตเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเขาสรุปอย่างนี้ ร้อยยตุลมุมินแปล ว, ว่าเป้าหมายชีวิตของมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อธิบายกันถูกไหมทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจสรุปสั้นดีไหมทําทุกอย่างให้อัลลอฮ์พอใจนี่คือเป้าหมายของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ก็ตามฉันทําความดีทั้งหมดเพื่อให้อัลลอฮ์พึงพอใจดูอ่าตรงไหนไปลองที่เราขอดูอาตอนอิสติต่าง่ะ อะไลอินนาลาตีวานุสุกีวามหายายาวามาตีลิลลัฮิรับบิลละเลมีตรงนี้ไงคำยืนยันการนมัสารของฉันทุกกระการ์ดวานุสุกีการบริจาคของฉันทุกรายการวามหายายาการมีชีวิตอยู่วันละยีสิบสี่ชั่วโมงวามามตีละการตายของฉันลิลลัฮิรับบิลละเลมีเป็นของอัลลอฮฺอธิบายครับ ให้อัลลอ์พึงพอใจจบเลยชีวิตีปน้องนี่คือเป้าหมายของบุทธาต่อเราส่วนคนกาเฟตโรยตุลกาเฟตเป้าหมายของคนกาเฟตคือทำอะไรก็ได้เพื่อสนองตัณหาตนเองเห็นไหมต่างกันไหมเราก็มีอารมณ์ครับแต่เราควบคุมอารมณ์ไว้ทำเพื่ออัลลอ์หมดเลยอัลลอฮ์อัลลอ์อัลลอฮ์ทุกาการพี่น้อง เรียนตั้ซีกเพื่ออัลลอฮ์เพื่อปรับปรุงตัวเองเข้าใกล้อัลลอฮ์สุภาูานานัองต่อมาอายที่5้าิบสาม l i a j alama fi liyaj a a u s s h i t n a a d z i n a fi q u b i i والقاسياتي قلوبهم سياتي ลุทุ่เคาะสียติลุทุ่ดูนวัลเคาะ ا ียะเคาสียว قلوبهم وَإِنَّ ا ل ظ َ ا ل ِ م ِ ي ن َ لَفِي ش ِ ق َ ا ق ب َ ع ِ ي د َ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضى والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد อ a ลล a ฮฺอักบารฺกับน้องเรื่องของเราหมดเลยเนี่ย อยายะแรกพูดถเรื่องนะก่อนไซตตอนใช่ไหมนบีคิดจะทําอะไรดีๆต้องการจะให้มุสลิมรับอิสลามให้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นไซตตอนมาขวางเราเองก็เหมือนกันวันนี้คิดจะทําของดีๆนี่นะคนมาขวางเรียกว่าไซตตอนมาขวางเพราะพูดอย่างนี้สาวไต์อนมันเบาหน่อยนะไซต์ตอนมาขวางแปลว่าคนมีเรื่องคนมาขวางแต่ขวางได้ไหมไม่สําเร็จครับ อัลลอฮฺจะลบล้างที่ชาตตอนมาขวางทั้งหมดฉะนั้นต้องนึกถึงอัลลอฮฺงานนี้ทําสําเร็จใครครับไม่ใช่ฉันนะใครอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ชาตตอนกระเจ้าหมดเลยมาทีละคนสองคนเรียบร้อยงานสําเร็จเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาบูต์จากอายะที่ห้าสิบสองเอามาดูห้าสิบสาอัลลอฮฺให้ชาตตอนมาทําอะไรมาขวางขวางมาโค่น มากี่ขวางมาทำลายไม่ให้แผนการของดีๆทำสำเร็จชัยตอนชัยตอนมาหลียัดเยียดเพื่อพระองค์จะได้ทำนะครับเพื่อจะได้ทรงทำให้อะไรนะมายุลุกีอชัยตอนที่ชัยตอนยุยแย่ชัยตอนมย yeah ุยแย่เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมฟิชนะเพื่อลองใจปันยัง เพื่อลองใจอัลลอ์อกวลองใจฟิทนาฟินาเป็นวันลองใจอัลลอ์เป็นน้องเท่าไรฉะนั้นเพื่อพระองค์จะได้ทรงทำให้เรื่องที่ชัยตอนอยุแยเป็นที่ลองใจอัลลอ์เป็นน้องคำแปลดีมากนะ liyaj alamafiul qishaytano fitnatan เพื่อพระองค์จะได้ทรงทำให้เรื่องที่ชายตอนยุแยเป็นที่ลองใจนี่เป็นอะไรนะสูตรในการบริหารมนุษย์ของอัลลอฮสุลตานฮุวะตานาคิดจะทำความดีให้ชายตอนมามาขวางนี่เป็นการลองใจอา้าวทีนี้คนที่ทำตามชายตอนเป็นไงครับมาดูลิละละซีนฟิกลูบิห์ม มารบบอกอลัอลลอฮฺไปน้องคนที่เชื่อตามแชร์ตอนพอแชร์ตอนขวางกูขวางด้วยวางแผนดีอลัลลอฮฺอักบัดพอแชร์ตอนยุนิดเดียวเดินตามชร์ตอนอัลลอฮฺด่าว่าไงนะลิลลาฮิณาฟีกูลูบิฮิมมารดสําหรับบรรดาผู้ที่จิตใจของเขามีอะไรครับมีโรค ว่าใจมีโรคระยอแพร่ชะตานหมดเลยเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลิกเลิกเลิกแผนการนี่ไม่เอาอัลลอฮฺว่าเป็น้องเห็นยังครับนี่ถ้าไม่อ่านกุูอ่านไม่รู้พออ่านกุูอ่านรู้เฮ้ยนี่เราในวางแผนดีในไปเยี่ยมพ่อที่เพชรบุรีค้องดีมาเยี่ยมพ่อเนี่ยดีไหมดีใครมายุอะไรมั้ไม่ไปพอไม่ไปเนี่ยอัลลอฮฺว่าไงนะ เอ็หัวใจมีโรคเห็นไหมจะมาหน้ามาที่มสัสยิดของดีไหมดีอย่าไปดเมียวนนามากระันที่บ้านเป็นยมะมาอาฝน ล, ลบุญเท่ากับเรานั่นละเอาไม่ไปไม่ไปหัวใจมีโรคมันต้องดึงคนอื่นมาอีกมาจะมาคนเดียวนี่แต่แผนกาเที่ยวเราวางไว้อลลอไปได้ไันมนั้นใครใครเดิมไสตอนอัลลอต์ดำเนียวยางไงนะฟิกูลูบิฮิมมารด หัวใจของคนเหล่านั้นจิตใจของคนเหล่านั้นมีจิตใจที่มีโรคไปนอนอ้าวในคุรานสุราตอะไรนะบักรอดเนะ่ะฟีกุลูบิหิมมารอดุงฟาเจเดหูมุลลอหูมารอดอใครที่มีโรคอยู่ในหัวใจ a l ล a h จะเพิ่มโรคไปอีกอ่ะเป็นไงครับ <laughs> ไม่ใช่สนุกฉะนั้น ย, า, ยาเดินตามใ่ต่อต่อมาครับ วันกสิยาติกลุบบุหมอัลลอบัตและสําหรับและการแข่งกระด้างกาสิยะแปลว่าแข่งกระด้างและการแข่งกระด้างแห่งจิตใจของพวกเขานั้นอัลลอลลอฮฺอักบัตและการแข่งกระด้างแห่งจิตใจของพวกเขาตกลงว่า อโลอมีสองสองรายการนะหนึ่งหัวใจมีโรคกับหัวใจที่แข็งกระดา้างคนที่ไม่คนที่เดินตามไซตตอนเนี่ยอโลอปนานไวไปสองรายการหัวใจมีโรคและหัวใจที่แข็งกระด้างหัวใจที่แข็งแข็แข็งกระดา้างอุลมะอธิบายอย่างนี้ครับหัวใจที่แข็งกระด้างก็คือหัวใจที่ของคนมุนอาฟิก แขนกระดา้างหัวใจที่มีโรคเนี่ยคือสงสยัยไปดีหรือไม่ไปดี <ulares> ไปหรือไม่ไปวะอ่าเนี่ยหัวใจมีโรคถ้าหัวใจที่แขนกระด้าหเนี àn, คน่คนคนแรคนกาเฟตคนคนคนมูนาฟิกเลยของมุสลิมนี่แค่ไปไม่ไปไปไม่ไปสับสนนี่พ่น้องไอ้สับสนต้องนึกนะอัลลอฮยูวาสฟิสูฟิสุดูรินนดเนียดดี แตมาสร้างความสาบสนใครครับใส่ตอ่อต้องนึกครับแล้วอ่านออฮุบิลลาฮิมีนัสไซยิดอิบรอฮิมตลอดเวลาครับอัลลอฮ์ถือร้องว่าอัลลอฮ์ส่งไัยตอนมาเมื่อใดนะเมื่อมาทดทดลองหัวใจมาทดสอบหัวใจจะทั้งใครที่เดินตามไัยตอนหัวใจของคนนั้นเป็นคนที่หัวใจมีโรคแล้วก็หัวใจที่แข็งกระด้างดีไหม อัลลอฮฺตำหนิไม่ดีครับต่อมาครับว่าอินนอโลดมีแท้จริงผู้ที่อธรรมนี่ล้อ ด, ด่าเรานี่แหละด่าคนหัวใจกระด้างกับหัวใจที่ป่วยคนรอลิมหัวใจป่วยหัวใจกระด้างหรือว่าคนที่หลงทางคนที่ขัดแย้งกั บ, ot, กบอัลลอฮฺขัดแย้งกับกุรานขัดแย้งกับสุนานะนาบีเป็นไงครับ ลาฟิกอติมบายด์อยู่ในการแตกแยกไม่ใช่แตกแยกกันเองนะแตกแยกกับคําสั่งของอัลลอฮ์ห่างกับคําสั่งของอัลลอฮ์กำลังทะเลาะกับคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่จะทะเลาะกับพี่น้องตัวเองนะไม่ใช่นะทะเลาะกับใครนะทะเลาะกับคําสั่งของอัลลอฮ์แบบไหนครับบายดินแบบไก่ลิบเลยเดินตามสายตอนพี่น้องอัลลอฮฺอัลบาด ไม่ใชเรืองนี่ถ้าอ่านคุรอ่านเพิ่งรู้อัลลอฮฺอักบัร์ใช่ตอนมันมาแต่น้าแต่วันนี้ไปเป็นต้อง น, นึกนะทุกครั้งที่ตั้งใจจะทําความดีใครจะมาก่อนใ <c oughs> ช่ตอนมาก่อนเลยพ่ออย่าทําพี่อย่าทําลูกอย่าทำแล้วคุรอ่า น, า น, านเรียนมาหมดเช้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรอะ <c oughs> มาดูไหมอ๋อห้าสิบสามสุรหัตเองเอา้าลียัจญ์อาลมายุลกิชัยตอหนูฟิทนนะลิลลาีนณฟีกุลูบิฮ์มมารับวัลกอสียะติกุลูบุฮุมอัลลอฮฺอักบัต์ทันต้องดำเนินงานที่ฉันตั้งใจจะทำเป็นความดีที่มาจากอัลลอฮฉันทำเลยดีมั้ย ไปน้องเนี่ยความรู้จกกากคุณอานไปน้องเดินตามคุณอ่านไปน้องอัลลอฮฺอัลบาดได้ความรู้สง่างามหมดเวลาไปน้องอีกอายาัดหนึ่งได้สามอายาัดวันนี้ทำดีๆไปน้องอสรุปชีวิตนะเป้าหมายของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺอยู่ที่ไหนเป้าหมายทําความดีทุกรายการเพื่อให้อัลลอฮฺพอใจส่วนคนกาเฟเป้าหมายของเขาทําความดีของเขาที่เขาทานั่นแหละ ถ้าก็ทำเพื่อตัวเองอโลเหไหมฉะนั้นเราไม่ทำเหมือนคนกาบแบแต่เราทำตามนาบีตามบรรดาสาัฮาบะะนบีบรรดารอซูนที่มาทั้งหมดในโลกเนี่ยเขาทำเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ سبحانه ะซุบฮานาะอัลลอฮฺมัลลั ว, วาลาบิฮัมลิกะฮฺอ um ัลลออิลลาอัลรอฮฺอัลลออัลลอมัลัวบิฮมกะฮอัลอิลาอัลลอฮอัลลอัมลลวบิฮัมลิ